ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสตตะตัพพระปุพพสิกขาและปุพพสิกขาวรณ น, นาพระอามาราภิรกติตะอามารโรเกิดวัดบรมนิวาสรจนาต่อไปจะเป็นเรื่องของการทำปริภาว่ะการป้องกันนะเรื่องการทำปริก็ แ, แลในปริเล่า เขาหัดกล่าวว่าท่านจงทําปริษให้คนไข้ดังนี้อย่าพึงทําเมื่อเขากล่าวว่าท่านจงสวดปริษแก่คนไข้พึงทําเถิดแค่คําพูดนี้ก็ต้องดูนะต้องพิจารณาบอกว่าถ้าทําปริษให้คนไข้เนี่ยนะถ้าไปทำเข้าก็จะกลายเป็นหมอไปแต่ว่าถ้าบอกว่าขอจงสวดปริษขอจงสวดปริษแก่คนไข้นี่ก็สวดได้แนะไม่ได้เป็นการทํายาอะไรให้บอกว่าทาได้ ถ้าแม้จะคิดว่าวิสัยมนุษย์ย่อมไม่รู้อะไรเมื่อเราไม่ทำให้ก็จะคิดต่างๆดังนี้พึงทำเถิดเขากล่าวว่าท่านจงทำน้ำมนต์สายศิลให้ดังนี้พึงเอามือรักคนน้าลูบได้แล้วให้เขาเถิดถ้าให้น้ำไปแต่วัดหรือได้ของตนไซเป็นทุกกฎห้ามเอาน้ำที่วัดให้แล้วก็ห้ามเอาได้ของตนเองให้แต่ว่าต้องเป็นน้าของเขาเอามาหรือว่า ได้ของเขาเอามาจึงให้ได้ไม่งั้นก็อภัตถุกฎถ้าเขาถือเอาน้ําและได้มานั่งอยู่ว่าท่านจงสวดปริศดังนี้พึงทําเถิดถ้าเขาไม่รู้ายพึงบอกให้เที่ตุนั่งอยู่เขาเอาน้ํามาเทลงที่เท้าเอาได้วางลงแล้วกล่าวว่าท่านจงทําปริศจงสวดปริศดังนี้แล้วเขาก็ไปเที่ตุอย่าพึงชักเท้าเสียด้วยว่าเขาจะ ก, กินแหนง่ง เขาอาศัยคนไข้อยู่ในบ้านทรงขามาธิวัดว่าผู้เป็นเจ้าทั้งหลายจงสวดปริตดังนี้พึงสวดเถิดโรคหรืออุปัธวะเกิดขึ้นในภายในบ้านและราชวังเป็นต้นเขานิมนต์ให้เข้าไปสวจปริตก็พึงสวดอาตานาสิยสูตรเป็นต้นขานิมนต์ให้ไปให้สิขาบทและแสดงธรรมในราชวังหรือเรือนอมาตย์ก็พึงไปให้สิขาบทและแสดงธรรมเถิด เขานิมนต์ให้ไปเป็นบริวารเพื่อนคนตายอย่าพึงไปจะไปด้วยกรรมฐานศีตะคือคิดว่าเราจะได้มรณสติเพราะเห็นป่าช้าและเห็นอตุภะดังนี้ควรอยู่พึงปฏิบัติในปริศดังว่ามานี้ก็แลในบินทบาทเล่าของฉันที่ยังไม่ได้ฉันเลยชื่อว่าอนามัตทบินทบาทอันนี้ก็เป็นเรื่องของอนามัตฐบินทบาท อนัตถาแปลว่าจับต้องอานามัถาแปลว่ายังไม่ได้จับต้องอนามัถะดินทบาทนั้นควรจะพึงให้แก่ใครไม่พึงให้แก่ใครควรจะพึงให้แก่มาราดาบิดาเท่านั้นแน่ถึงว่าบินทบาทนั้นราคาสักกหาปนะ ก, กดีไม่เป็นศรัทธาทยะวินิปาตะก็คือไม่ทําให้ศรัทธาทายตกไปคนอุปถากมาราดาบิดาเวยาวัชกรทําการสงปันรุปราชก็คือคนที่กําลังจับบวช แม้คนเหล่านี้ก็พึงให้อนามคตททดินบาเถิดปันรุปราช น, นั้นแม้จะรองภาชนะของตนให้ก็ควรคนนอกนั้นเป็นขัตถะแม้เป็นมารดาบิดาจะรองภาชนะของตนให้ไม่ควรให้บริโภคให้กินในภาชนะของพิสูจนนี้ไม่ได้นะจะเป็นบาศาบาทอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าถ้าเป็นพวกปันรุปราชพวกหน้าที่กำลังจะบวชอย่างนี้ให้ได้ เพาบริขารเครื่องใช้ของบรรพชิตตั้งอยู่ในที่เป็นเจดีควรจะคารบบูชาของขอรรษอันหนึ่งอนามัตตบินทบาทพึงให้แก่ทามริกาโจรและคนเป็นอิสระซึ่งมาถึงเข้าด้วยว่าคนเหล่านั้นเมื่อไม่ให้ก็โกรธว่าไม่ให้ครั้นให้ของที่ฉันแล้วก็โกรธว่าให้ของเป็นเดนโกรธแล้วก็จะฆ่าและทําอันตรายแก่ศาสนาด้วยพึงปฏิบัติในบินทบาทดังว่ามานี้ถ้า พวกโจรหรว่าคนที่เขาเป็นอิสระเป็นใหญ่รบแพ้อะไรมาเข้าวัดแบบนี้ก็ต้องดูแลเขาทําปฏิสันถานไม่อย่างนั้นเขาก็ปล้นวัดทําร้ายพิกสุก็แลปฏิสันฐานจะพึงทําแก่ใครไม่พึงทําแก่ใครอันปฏิสันถานนี้พึงทําแก่คนผู้มาถึงวิหารเข้าแล้วจะเป็นอาคันตุ ก, กะคนมาใหม่หรือคนจนหรือโจรหรือคนเป็นอิสระคนใดคนหนึ่งก็ตามจําจะต้องทํา จะพึงทําอย่างไรเห็นคนอคันดุกะเสบียงหมดมาถึงวิหารเข้าพึงให้น้ําดื่มให้น้ํามันทาเท้าเขามาถึงเข้าในการเช้าพึงให้ข้าวต้มข้าวสวยเขามาถึงในวิการถ้าข้าวสารมีไ้พึงให้ข้าวสารย่าพึงกล่าวว่าท่านมาถึงในอันใช่เวลาก็คือมาไม่ถูกเวลาแล้วท่านจงไปเสดจเถิดแต่พึงพูดอย่างนี้พึงให้ที่นอน กรรมทั้งปวงอย่าพึงหวังสิ่งใดสิ่งหนึ่งเลยทำเถิดอย่าหวังสิ่งตอบแทนนะแทนที่จะเป็นกุศลมหาศาลแต่ว่าไปหวังสิ่งตอบแทนก็เลยไม่เป็นกุศลเลยมีโทษจิตคิดว่าวิสัยมนุษย์ย่อมเป็นผู้ให้จัดถูกปัจจัยเมื่อเราสงเคราะห์อย่างนี้จักเลื่อมใสเข้าบ่อยๆแล้วจักกระทําอุปการะจิตอย่างนี้ก็อย่าให้เกิดขึ้นเลยก็แลโจรแม้ของสงก็พึงให้เถิดเพื่อจะกัรนี้ให้ทําลายของสงอื่น ในอัตถกถาท่านเล่าเรื่องราภิกษุสงเครแก่โจรด้วยของสงไว้หลายเรื่องเพื่อจะแสดงอานิสงส์แห่งปฏิสันถานผู้ประสงค์จะรู้พึงดูเอาเถิดพึงปฏิบัติในปฏิสันถานดังว่ามานี้โจรก็เห็นว่าวัดนี้รวยนะก็เลยจะมาปล้นพระพิสุก็เลยสั่งให้เอาข้าวเอาเนยใสยน้ำมันเนคข้นอะไรต่างอาหารที่มีอยู่ในเรือนคังบอกให้คนวัดเอามาหุงเลี้ยงโจรพอหุงหาเลี้ยงเสร็จ ก็เลยถามว่าใครเป็นคนให้มาจัดการดูแลก็เลยบอกว่าพระเถระรูปหนึ่งก็เลยบอกว่าโอ้ดีนะที่มาดูแลเราไม่งั้นนี่เราตั้งใจแล้วละ่ะว่าจะมาปล้นวัดเนี้ยแต่ว่ามาอุปถัมดูแลเราต่อไปนี้เดี๋ยวใครจะมาทําบุญที่วัดนี่เดี๋ยวเราจะคอยดูแลคุ้มครองป้องกันเองก็เลยกลายเป็นคนอาละขาไปเลยมีหมู่พิสูจก็ติเตียนกันว่าเนี่ยพระเถระเนี่ยถือว่าตัวเองเป็นใหญ่เอาของสงไปเลี้ยงโจนพระเถระก็เลยกล่าวว่า ให้ตีราคามาว่าอาหารผ้าของต่างๆที่ไปเลี้ยงโจรเนี่ยราคาเท่าไหร่แล้วเปรียบเทียบทิผ้าตำพนผ้าผืนใหญ่ผ้าปูพื้นต่างๆที่รองอยู่ในเสนาสนะเนี่ยผืนหนึ่งหนึ่งราคาเท่าไรนั้นยังน้อยกว่าผ้าตำพนนั่นอีกสมบัติของสงนี่มากมายแต่ว่าโจรเขาไม่ต้อนเพราะว่าเขาเห็นอริสงของการที่ไปดูแลปฏิทันฐานก็เลยคอยดูแลคอยรับส่งป้องกันอันตรายจากพวกกระหัดที่มาทำบุญที่วัด พวกขดทหารานั้นก็เอาอาหารอะไรต่างให้กับผู้โจนเหล่า น, นั้นก็เลยกลายเป็นคนอ่ารักษาไปเลยข้อหนึ่งยานําข่าวสารแห่งขดขัดข้อหนึ่งยาสงเคราะห์ตระกูลด้วยการให้ดอกไม้ผลไม้เป็นต้นด้วยว่าในวิพัง์แห่งกูลรดุสกะสิขาบทจะมีการประทุสรักกุลเรียกว่ากูลรดุสกะด้วยอาการแปดอย่างก็คือให้ของนั่นเอง ให้ดอกไม้อย่างหนึ่งให้ผลไม้อย่างที่สองให้จนใหญ่าที่สามให้ดินอย่างที่สี่ให้ไม้สีฟันอย่างที่ห้าให้ไม้ไถ่อย่างที่หกทำเวชกรรมอย่างที่เจ็ดแล้วก็นำข่าวสารแก่พระหัตถผู้ที่ไม่ช่วยยากเรียกว่าชังคะเปตนยะอันนี้ก็เป็นอาการของกรรมประทุษยราชกุลเรียกว่ากูละดุสกะแต่ย่างชื่อว่ากูละดุสกะกระทุษยราชกุลคือทำความเลื่อมใสของเขาให้เสียไปด้วยความปฏิบัติชั่วแห่งตน อันหนึ่งผลแห่งทานเขาเสื่อมไปด้วยเวชกรรมธรยานั้นเพิ่งรู้ดังกล่าวในก่อนอันหนึ่งโบราณอาจารย์กล่าวว่าหมอดูเริกยามก็ชื่อว่าเวชกรรมด้วยก็อสมเคราะห์ด้วยนะโบราณอาจารย์บอกว่าดูหมอนี่ดูเริกดูยามอะไนี้ก็เป็นส่วนของเวชกรรมด้วยจัดแสดงชงังฆาเปสนยิยกก่อนติตุรับข่าวสารแห่งกระดับแล้วเดินไปเป็นทุกกฎทุกๆุกกกย่างก้า แม้ฉันของที่อาศัยกรรมนั้นได้มาเป็นทุกกฎทุกคำที่กลืนเดิมแม้ไม่รับคำข่าวสารเขาไพ่หลังคิดว่าที่นี้บ้านนั้นแล้วเอาเถิดเราจะบอกข่าวสารนั้นนั่นละแม้แวะออกจากทางเป็นทุกกดทุกย่างก้าวเหมือนกันแม้ฉันของฉันที่ได้เพราะบอกข่าวสารนั้นก็เป็นทุกกฎดังในกรอนก็แล้วไม่ได้รับคาสั่งเขามาถึงข้าวเขาก็ถามว่า คนชื่อนี้อยู่ในบ้านนั้นข่าวข่าวเป็นอะไรบ้างดังนี้จะบอกเขาควรอยู่ปริศนาที่เขาถามบอกไม่มีโทษก็คือถ้าเขาถามเมไรเนี่ยเราบอกได้แต่ว่าเราไม่บอกเองก็และจะนําข่าวสารแห่งชาธรรมิตทั้งห้าและมารดาบิดาก็ดีและปันุป ร, ราชก็คือนาค ท, ที่จะบวชและคน ว, ว, วัยยุจิกรของตนก็ดีราวนี้ควรอยู่ถ้านาข่าวสารของพวกศาสธรรมิตหรือว่าพวกมารดาบิดาปันุประราช ว, ว, วิทยุจิกรพวกนี้ไม่เป็นไร และเขาวสั่งว่าท่านจงไหวเจดีพระปฏิมาต้นโพพระสังฆเทระตามคำของข้าพเจ้าก็าดีท่านจงให้พิกจุประชุมกันข้าพเจ้าจะให้ทานฟังทังานก็ดีในข่าวสารเหล่านี้อย่ารังเกียจเลยข่าวสารเหล่านั้นเป็นกัตถิยะไม่ประกอบด้วยกรรมแห่งขดหัดแล้วก็ไม่เป็นชังะเตะนิยะไม่เป็นการรับตรงข่าวสารด้วยจะแสดงในการให้ดอกไม้เป็นต้น สิศใดนำไปเองหรือว่าให้ผู้อื่นนำไปเรียกมาเองหรือว่าให้ผู้อื่นเรียกมาหรือเขามาถึงเข้าเองให้ดอกไม้สิ่งใดถึงหนึ่งของตนเพื่อสงเคราะห์แก่ตระกูลเป็นทุกกฎให้ดอกไม้ของคนอื่นก็เป็นทุกกดแท้ให้ด้วยไถยจิตพึงปรับตามราคาของแม้ในดอกไม้ของสงก็เหมือนกันแต่วิเศษอยู่คือดอกไม้ที่เขากาหนดเพื่อเสนาสนะ เอาให้ด้วยความเป็นอิสระก็คือถือว่าตอนเป็นใหญ่เป็นทุนละใจถ้าเป็นดอกไม้ที่เขากาหนดไว้เพื่อเสนาสนะก็รเสนาชนะนั้นเป็นครุพัณฑ์เท่ากับว่าเอาของเสนาสนะไปแจกนั่นแหละก็เลยเป็นทุรลใจดอกไม้จะควรให้แก่ใครจะไม่ควรให้แก่ใครควรให้แก่มารดาบิดากรจะเอาไปให้เองหรือว่าให้คนเอาไปให้จะเรียกมาเองหรือว่าให้คนเรียกมาให้ก็ควร ญาติอันเศษให้คนเรียกมาแล้วจึงให้จึงควรในการให้นั้นเพื่อจะบูชาวัตถุทั้งสามคือพระตนตรายจึงควรให้จะให้แก่ผู้ใดผู้หนึ่งเพื่อประดับหรือว่าบูชาสิวลึงเป็นต้นไม่ควรเพื่อจะให้คนเอาไปให้แก่มารดาบิดาพึงให้สามเณรเป็นญาติเอาไปให้ถิว่าสามเณรไม่ใช่ญาติอยากจะเอาไปให้เองท้จะให้เอาไปก็ควร ควาจริงก็ควรจะให้เป็นสามเณรที่เป็นญากเอาไปเนะท็กตุผู้แจกดอกไม้ที่สงสมมุติไว้จะให้ตัวกึ่งหนึ่งแก่สามเณรซึ่งมาถึงเข้าในเวาแจกก็ควรในอัจฉริาะกุรุนทีว่าให้แก่ครหัดกึ่งหนึ่งในอัจฉริยะมหาปัจจ리ก็ว่าให้แต่น้อยก็ควรติ็กตุอันสงไม่ได้สมมุติไว้พึงอัปโล ก, ก่อนจึงให้สามเณรเคารพในอาจารย์อุปชาเก็บดอกไม้มากองไว้ พระเถระบอกให้แก่สัจจิหาริเป็นต้นหรือแก่อุบาตกซึ่งมาถึงเข้าแต่ช้าว่าท่านจงถือเอาดอกไม้นี้ดังนี้ไม่ชื่อว่าเป็นปุปปทานคือการให้ดอกไม้ที่สุถือเอาดอกไม้ไปจะบูชาเจดียหรือทําการบูชาอยู่ให้ดอกไม้แก่คดหัดซึ่งมาถึงเข้าในที่นั้นเพื่อบูชาพระเจดียแม้อันนั้นก็ไม่ชื่อว่าปุปปทานไม่ได้เป็นการให้ดอกไม้เพราะว่าให้บูชาพระพุทธเจ้า ให้บูชาเจดีย์พิสุเห็นอุบาสกเขาบูชาอยู่ด้วยดอกรักเป็นต้นแล้วกล่าวว่าดอกกัิกาเป็นต้นในวิหารมีอยู่อุบาสกจงถือเอาบูชาเถิดดังนี้ก็ควรพิสุบูชาด้วยดอกไม้อยู่แล้วเข้าไปบ้านสายนักเขาถามว่าเหตุไรจึงเข้ามาต่อสายบอกว่าดอกไม้ในวิหารมากเราทําการบูชาอยู่มนุษย์เขาคิดว่าดอกไม้ในวิหารมากพรุ่งนี้เช้า เขาถือเอาของเคี้ยวและของฉันมายังวิหารทำปุกถะบูชาแล้วก็ถวายทานด้วยก็ควรไม่มีจิตคิดไม่ดีก็บอกเขาตามตรงว่ามาถ่ายก็เพราะว่ามีดอกไม้มากบูชาถ้าจะดีอยู่ด้วยดอกไม้เขาก็เลยมามากลขอบูชาดอกไม้บ้างมาให้ทานด้วยไม่เป็นไรไม่ได้เป็นวิญยัตมนุษย์ทังหลายเขาขอวาระดอกไม้ว่าวันชื่อโน้นข้าพเจ้าจักบูชาแล้ว เขามาในวันซึ่งพิสูุอนุญาตให้ดอกไม้แต่ดอกไม้สามเณรเก็บไว้เสียแต่เช้าแล้วเขามาไม่เห็นดอกไม้ที่ต้นถามว่าดอกไม้ไปไหนเสียหมดเล่าพิสูจบอกว่าสามณเณรเก็บเสียหมดแล้วท่านจงเอาดอกไม้นั้นบูชาเถิดสงจักบูชาวันอื่นดังนี้เขาจึงเอาดอกไม้นั้นบูชาแล้วจึงถวายทานแล้วก็ไปดังนี้ก็ควรในอัตถุฐานมหาปัญจลีและปุรุณทีกล่าวว่า พระเถระจะให้สามเณรให้ให้เขานั้นไม่ได้ถ้าสามเณรให้ดอกไม้นั้นแก่เขาเองควรอยู่พระจุไม่ต้องไปใช้แต่ทำเนก็ให้ไปก็ไม่เป็นไรส่วนพระเถระพึงกล่าวแต่เพียงว่าสามเณรเก็บเสียหมดแล้วเท่านั้นถ้าเขาขอวาระดอกไม้ไว้แล้วดอกไม้ยังไม่ได้เก็บเขาถือเอาข้าวต้มข้าวสวยมาวานสามเณรให้เก็บให้สามเณรผู้เป็นญาติจะเก็บให้ก็ควร สามเณรผู้ไม่ช่าติถ้าเขายกขึ้นวางบนกิ่งไม้ก็อย่าพึ่งลงหนีไปเสียจะเก็บให้ควรอยู่ถ้าธรรมกถึกองค์หนึ่งกล่าวว่าท่านอุบาสตกดตอกไม้ในวัดมีมากท่านจงถือเอาข้าวต้มข้าวสวยไปทำการบูชาเถิดดังนี้ในอัตถิคามหาปัญจรีและกุรุนทีกล่าวว่าไม่ควรแก่เธอรูปเดียวเท่านั้นแต่ว่าในมหาอรตถากล่าไม่วิเศษ ว่าแต่เพียงว่าของนั้นเป็นอัตับยะไม่ควรดังนี้เน้อหาอธิษานบอกว่าไม่ควรแต่ว่าเ น, นหาปัญจลีกุรุนทีบอกว่าไม่ควรแก่ผู้ที่เป็นธรรมกะถึกไปบอกให้ญาติโยมเอาข้าตมกระสวยมาบูชารูปเดียวแม้ผลไม้เป็นของตนจะให้แก่มารดาบิดาและญาติอันตศษตามอย่างซึ่งกล่าวแล้วนั้นก็ควรก็แลเมื่อให้ เพื่อสงฆคราสตระกูลในผลไม้เป็นของตนและเป็นของผู้อื่นและเป็นของสงฆ์และของที่กําหนดไว้เพื่อเสนาสนะให้พึงรู้ว่าเป็นอบัตทุกกฎเป็นต้นตกนําหนดไว้เพื่อเทนาสนะอ ბ ัตทุลใจเลยนะตามอย่างดังกล่าวแล้วเถิดจะให้ผลไม้ของตนแก่คนไข้หรือคนเป็นอิสระสิ่นเสบียงทางมาก็ควรเหมือนกันไม่เป็นผลทานนะก็คือไม่ใช่เป็นการให้ผลไม้ แม้ที่ตุผู้แจกผลไม้ที่สงสมมุติไว้แล้วจะให้ส่วนกึงหนงแก่มนุษย์มาถึงเข้าในขณะแจกอยู่แก่สงก็ควรผู้ที่สงไม่ได้สมมุติไว้พึงอปโลกร์จึงให้แม้ในสังคารามพึงทำกติกากันไว้ด้วยกำหนดผลหรือว่ากำหนดต้นไม้เมื่อคนไข้หรือคนอื่นมาขอผลไม้แต่ส่วนนั้นพึงให้ตีผลห้าผลหรือชี้ต้นไม้นั้นให้ตามกำหนดว่า จะเอาแต่ต้นนี้ได้อยู่ดังนี้เถิดอย่าว่าผลต้นนี้ดีท่านจงถือเอาแต่ต้นนี้เถิดอย่าไปบอกว่านี่อร่อยนะผลนี่อร่อยอร่อยดังนี้จุนซึกหรือน้ำฝากอันอื่นเป็นของตนเอาให้เพื่อสงงครอบตรตกูลเป็นทุกกฎแม้จุนเป็นของคนอื่นเป็นต้นพึงตัดสินตามอย่างดังกล่าวแล้วเถิดแต่แปลกอยู่ดังนี้ เลือกไม้เป็นของสงแม้ยังรักษาห่วงอยู่เป็นครุพัน์แท้แม้ในดินและไม้สีฟันไม้ไผ่ก็พึงรู้สิ่งที่ควรเป็นครุพันธ์แล้ววินิจฉัยตามอย่างดังกล่าวแล้วในจุนนั้นเถิดก็แลปัณธนะานะการให้ใบไม้ไม่มาในที่นี้ด้วยแม้การให้ใบไม้นั้นก็พึงรู้ตามอย่างดังกล่าวแล้วเถิด ปัจจัยเกิดแต่กูลดูสกรรมแปดนี้ไม่ควรแก่สาทำมิตรทั้งห้าเหมือนปัจจัยอันเกิดแต่การอวดอุตริมนุสธรรมและแลเปลี่ยนมาด้วยรูปิยะกูลดูสกรรมนี้ไม่ควรแก่สาทำมิตรทั้งห้าด้วยเป็นจะจบประแจงบรรทุตราชกุล ท, ทำให้เขาเสื่อมจากบุญเสื่อมจากศรัทธาบุญเขาก็จะลดลงด้วยต่อไปจะกล่าวในตาตัปสมาจาระตถา สถาที่ว่าด้วยเรื่องของบาปสมาจจานข้อหนึ่งอย่าประพฤติอนาจาร์ต่างๆและอย่าเล่นของเล่นต่างๆมีหมากแยกเป็นต้นด้วยทรงห้ามไว้ว่าณพิกเว ว, วิวิทังอนาจารังอาจริตบังโยอาจริยยะยถาธโมกาเรตบโวแปลว่าอย่าพึงประพฤติอนาจาร์มารยาทไม่ควรมีประการต่างๆถ้าเธอใดประพฤติ พระวินัยทรนึงปรับตามธรรมคือวัตถุควรเป็นปา่าจิตตีก็ให้ปรับปา่าจิตตีวัตถุควรเป็นทุกโกรก็ให้ปรับทุกโกรยะถาธรรมโมในที่นี้ไม่เหมือนในที่อื่นๆเอาแต่ปา่าจิตตีอย่างเดียวในทนี่เอาปาัาจิตตอย่างเดียวในวิพัง์แห่งกูและทูสกัปชขาบทว่าปลูกเองหรือให้ผู้อื่นปลูกซึ่งกอไม้รดน้ําเองหรือว่าให้ผู้อื่นรดเก็บ <Hunger th. S 2> เองหรือว่าให้ผู้อื่นเก็บร้อยกลองเองหรือว่าให้ผู้อื่นร้อยกลอง ชื่อว่าปาตะสมาจารบาทสมาจาร์คือมารยาทชั่วจะกล่าวตามลําดับดังนี้ก่อนให้ปลูกเองหรือว่าให้ผู้อื่นปลูกรดเองหรือว่าให้ผู้อื่นรดนี้พึงรู้จักอกับปิยะโอหานและกับปิยะโอหานปรยายโอภาษนิมิตรกรรมห้ายอย่างนี้ก่อนทุบต่อยเองและให้ผู้อื่นทุบต่อยซึ่งต้นไม้สดเขียวขุดเองและให้ผู้อื่นขุดซึ่งหลุม ปลูกกอไม้เองและให้ผู้อื่นปลูกภูนขอบเองและให้ผู้อื่นพูนรดน้ำเองและให้ผู้อื่นรดทําทำคลองให้ตรงไปที่กอไม้และลดด้วยน้ำสิ่งเหล่านี้เป็นอกักติยะและเทน้ำล้างมือล้างเท้าลงที่กอไม้เหล่านี้ก็ชื่อว่าเป็นอกักติยะอุหานไม่ควรก็ไม่ควรกล่าวว่าจงรู้ต้นไม้นี้ จงรู้หลุมนี้จงรู้กอ่อไม้นี้จงรู้น้ำในที่นี้ดังนี้ก็ดีและทําคลองที่แห้งอยู่ให้ตรงทของเกลืนี่ไม่ได้เป็นกัปติยะถ้าคลองที่แห้งอยู่เนี่ยให้ตรงไปที่กอไม้ก็ดีเหล่านี้ชื่อว่ากับติยะวุหารกล่าวว่าคนฉลาดเขาเพึ่งปลูกกอไม้เป็นต้นไว้ไม่ช้าก็เป็นไปเพื่ออุปการะดังนี้เป็นต้นชื่อว่าปริยาย ถือจอบเสียมและต้นไม้อ่อนยืนอยู่ชื่อว่าโอภาษ์ด้วยว่ายืนอยู่อย่างนี้สำเนินเป็นต้นได้เห็นแล้วจะคิดว่าพระเทราะจะประสงค์ให้ทําแล้วจะมาทําให้อันนี้ก็เป็นโอภาษ์ ath, ถึงการประกาศด้วยแสงสวา่างประกาศให้รู้ว่าจะทําอะไรเอาจอบเสียมมีดขวานภาชนะตักน้ํามาวางไว้ในที่ใกล้ชื่อว่านิมิตรกรรมก็ทําเป็นที่นิมิตหมายเป็นเครื่องหมาย อาการั้งห้านี้เมื่อปลูกเพื่อจะสงเคราะห์แก่ตระกูลไม่ควรทั้งสิ้นปลูกเพื่อจะบริโภคผลไม่ควรแต่กับพิยะโอหารถ้าจะปลูกไว้เพื่อสงเคราะห์ตระกูลห้าอย่างนี้ใช้ไม่ได้เลยมีโทษมีอันบัติหมดแต่กับพิยะโอหารและอกับพิยะโอหารสองอย่างเท่านั้นไม่ควรการปลูกเพื่อบริโภคผลเนี่ยไม่ควรแต่กับพิยะโอหารและอกับพิยะโอหารพูดตรงตรง ก็ไม่ควรสองอย่างเท่านั้นส่วนอาการสามนอกนั้นควรถ้าจะ ป, ปรุกไปโปรภผลเนี่ยจะใช้ปริยายโอภาษนิมิตกรรมใช้ได้ทั้งนั้นแต่ในอัตถิฐามหาปัญจเรีกล่าวว่าแม้กับยะโอหารก็ควรถ้าพูดโดยถูกต้องเนี่นะอาการใดเพื่อจะบริโภคเองก็ควรอาการนั้นแม้เพื่อคนอื่นหรือเจดีหรือว่าของสง์ ต่ว่าเพื่อส่งก็ควรเหมือนกันปลูกเพื่อเป็นที่รื่นรมและเพื่อเป็นหมู่ไม้และเพื่อเป็นเงาอากาศดิยะวุหานอย่างเดียวไม่ควรอย่างอื่นก็ควรหมดใช่แต่เท่านั้นแม้จะทําคลองให้ตรงไปและรดน้ําเป็นกับปิยะทําซุ้มอาบน้ําแล้วอาบลงก็ดีแม้เทน้ําล้างมือล้างเทา้าและน้ําล้างหน้าลงในกอไม้นั้นก็ดีก็ควรในมหาอัตถิฐาและกกรุนทีกล่าวว่า ในแผ่นดินเป็นกับิญะจะปลูกเองเพื่อเป็นที่ร่มก็ควรถ้าเป็นกับิญะหมายถึงไม้สูกก็คุณได้ก็คือฝนตกจะไม่รถสี่เดือนไม่เกินสี่เดือนเป็นก้อนกรวดก้อนหินมากก้อนทรายมากดินน้อยแล้วก็เป็นภูเขาที่ประสมกันไม่ใช่ภูเขาดินร่วนเน้นหาบัจริีกุิลธีนะก็บอกว่าแผ่นดินที่เป็นขบิญะเนี่ยจะปลูกเองเพื่อเป็นร่มก็ควร ก็นแลปลูกเองหรือว่าให้ผู้อื่นปลูกเพื่อเป็นที่เรื่อรวมเป็นต้นเป็นผลแล้วแม้จะบริโภคก็ควรตั้งใจว่าจะเอาร่มนะแต่ว่าออกลูกก็ฉันด้วยแหละปลูกกอไม้เองในแผ่นดินที่เป็นอกักขปิยะเพื่อกูละดูสกรรมเป็นปาจิตตีด้วยเพราะว่าไปปลูกในแผ่นดินเป็นอกักขปิยะเป็นปาจิตตีขุดดินแล้วก็เป็นทุกกฎเพราะว่ากูละดุสกรรมด้วยปลูกด้วยอกขปิยะวหารก็เหมือนกัน ปลูกเองแนละให้ผู้อื่นปลูกในแผ่นดินที่เป็นกัปปิยะเป็นแต่ทุกกฎเป็นทุกกฎเพราะอะไรก็เอาไว้ทํากูระตุดุสกรรมอะเป็นทุกกฎในการใช้ให้เขาปลูกทั้งสองนั้นใช้ทีเดียวเขาปลูกแม้มากก็เป็นปัจจิตีกับทุกกฎและทุกกฎล้วนตัวเดียวให้เขาปลูกในพื้นเป็นกัปปิยะหรืออกัปปิยะด้วยกัปปิยะโวหารเพื่อจะบริโภคไม่เป็นอบัติ ถ้าใช้อากพยวุหานี่ไม่มีปัญหาเลยปลูกเองในอากพยะปฐวีหรือให้เขาปลูกด้วยคำเป็นอากพยะแม้เพื่อเป็นที่รื่นรมเป็นต้นก็เป็นปราจิตีในนี้ท่านไม่ได้แจกไว้ด้วยดีในมหาเดชะนแจกไว้แต่ในมหาปัญจเรียก็แลรดน้ําเองและให้ผู้อื่นรด้วยน้ําที่เป็นอากพยะเป็นปราจิตีในที่ทั้งปวงรดน้ํานี่ก็ต้องตัวจดูว่ามีตัวสัตว์หรือเปลา เพื่อกูลดุสกะและเพื่อบริโภคเป็นทุกกดด้วยให้เขารดด้วยน้ำเป็นกับติยะเพื่อกูลดุสกะและเพื่อบริโภคทั้งสองนั้นก็เป็นทุกกดเป็นทุกกดเพราะว่าใช้ไปทำกูรดุสกะนั่นเองให้เขารดด้วยกับติยะวหารเพื่อจะบริโภคไม่เป็นอาบัตในที่เป็นอาบัตพึงรู้ว่าเป็นอาบัตมากด้วยขาดแห่งฝ่ายน้ำและประโยคมากเถิด ในการเก็บเองและใช้ให้ผู้อื่นเก็บซึ่งดอกไม้เพื่อกูและดูสกะเป็นต้นเพื่อรู้ว่าเป็นทุกกฎและปัญจิตีมากน้อยด้วยนับดอกไม้และประโยชน์และคาบังคับดังก่อนเอิอก็มาดูเรื่องของดอกไม้การร้อยกรองดอกไม้เป็นต้นในการร้อยกลองดอกไม้เป็นต้นเพื่อรู้จากบุคภวิกัดก็คือการจัดแจงการทาดอกไม้การทาดอกไม้ให้สาเร็จ บุพาวิกัตรมีหกอย่างดังนี้คือหนึ่งคันธิมังกลองถักสองโคบิมังควบคุมสามเวทิมังร้อยเสียดสี่เวทิมังเวทิถอถุงนะักตัวนี้เวทิถอทงเวทิมังก็พันผูกห้าปูริมังวงทำให้เต็มหกวายี่มังพอเย็บปักหกอย่างนี่นะ สำหรับคันธิมังพึงรู้ในดอกอุบและบัวเป็นต้นมีก้านยาวและดอกไม้อื่นมีขั้วยาวเอาขั้วต่อขั่วหรือว่าก้านต่อก้านถักกลองกระหมดเข้าชื่อว่าคันธิมังที่สุหรือพิษุณีกระทำเองแลนะให้ผู้อื่นทำด้วยความเป็นอกักติยะไม่ควรให้ทำด้วยความเป็นสัปติยะเป็นต้นว่าท่านพึงรู้อย่างหนึ่งเมื่อทำอย่างนี้จะพึงงาม ดอกไม้จะไม่เรียรายไปเสียอย่างไรพึงทำอย่างนั้นดังนี้ควรอยู่อันนี้ก็เป็นกัิยะโวหารที่ทำให้ไม่ต้องมีโทษมีอัติเอาได้หรือว่าเปลือกปอเป็นต้นร้อยควบดอกชาตบุตรเป็นต้นให้เป็นระเบียบมีขั้วข้างเดียวหรือว่าสองข้างชื่อว่าโขดผมังทำเปลือกไม้หรือว่าเชื่อเป็นสองสายแล้วเอาดอกไม้ไม่มีขั้วเป็นต้นว่าดอกสเดาสอดเข้าในสายนั้น พันไปโดยลําดับชื่อว่าขบผีมังด้วยทั้งปวงไม่ควรดังก่รเอาเสี้ยนตาลเป็นต้นร้อยในขั้วดอกชาตะบุตรหรือในช่องดอกพิกุลเป็นต้นที่ไม่มีขั้วดังนี้ชื่อว่าเวทิมังว่าร้อยแทงจะปักหนามลงในท่อนกล้วยแล้วเอาดอกไม้เสียบเข้าไปในหนามนั้นเป็นต้นก็ดีแม้จะผูกหนามในเพดานธรรมาตเพื่อจะเอาไว้ร้อยดอกไม้ หรือจะเอาน้ําแทงเข้าไปในดอกไม้สักดอกหนึ่งก็ดีหรือจะเอาดอกไม้ซ้อนเข้าไปในดอกไม้ด้วยกันก็ดีไม่ควรทั้งสิ้นเลยขนาเอานามเอาอะไรมาแทงดอกไม้ดอกเดียวเพื่อจะประดับ ต, ต่างๆนี้ยังไม่ควรจะเอาดอกไม้วางเข้าในช่องขายเป็นต้นแล้ววางไว้ในระหว่างกลุ่มดอกอโศกไม่มีโทษถ้าไปวางไว้ในกลุ่มดอกไม้เชื่อไม่มีมหายนะเพราะไม่เป็นเวทิมังแม้ในเชือกวงเจดีก็ อย่างว่ามานั้นเป็นเวทิมังถอดทงตู้นี้เป็นถอดงเวทิมังนั้นพึงรู้ในพวงดอกไม้และกำดอกไม้เอาได้และเชือกผูกในกา้านอุบลเป็นต้นทาเป็นมัดมัดมัดละแปดแตดเป็นต้นก็ดีดอกอุบลสมเนรถอนขึ้นวางไว้บนบกจะเอาผ้าพันเป็นห่อเข้าก็ดีไม่ควรทัส้สิจะเอาเปลือกหรือว่าก้านนั้น เองพันเข้าหรือว่าเอาผ้าวางบนบาจับสองมุมกระมวดเข้าเอาดอกไม้เข้าไว้ในท่านั้นดังเอาเข้าในกระสอบเหล่านี้ควรเอาก้านบัวแทงลงในใบบัวเอาใบพันดอกบัวถือไปและจะผูกใบบัวข้างบนดอกนั้นควรอยู่แต่จะผูกก้านข้างล่างเข้าไม่ควรต่อไปก็เป็นปูริมัง การทำให้เต็มนั้นเพื่อรู้ในกลุ่มระเบียบและแผ่นดอกไม้เถิดเอาพวงดอกไม้วงเจดีหรือว่าต้นโพหรือว่าไพรทีถึงเงื่อนเดิมแล้วให้เกินไปหน่อยนึงชื่อว่าปูริมังสนาดไปวงพระเจดีหรือว่าต้นโพก็ยังเป็นการจัด ก, การทาดอกไม้ประดับดอกไม้ด้วยวงหลายรอบไม่ต้องว่าแค่เลยที่กาหนดเดิมไปนิดเดียวก็ชื่อว่าปูริมังพน า, าเลยหลายรอบก็ ยิ่งเป็นมากแหละเอาพวงดอกไม้วงบันไดแก้วให้ยานลงมาแล้ววงไปอีกชื่อว่าปูริมังด้วยเอาพวงดอกไม้ดังวลัยสวมในบันไดแก้วควรอยู่เอาพวงดอกไม้ทําเป็นแผ่นวงไปทีหนึ่งควรอยู่วงเกินไปอีกชื่อว่าปูริมังไม่ควรได้พวงดอกไม้ที่เขาทําเป็นกลุ่มมาผูกบนเบื้องบนอาสนะควรอยู่ จะเอาพวงดอกไม้ที่ยาวถึงไปหรือว่าวางไปทีหนึ่งถึงเงื่อนเดิมแล้วให้เสียแก่ที่สุ่อื่นก็ควรเหมือนกันแม้ที่สุ่ออื่นนั้นจะทำอย่างนั้นอีกก็ควรวายิมังหมายถึงทอปักนั้นให้เพิ่งรู้ในขายดอกไม้และแผ่นดอกไม้และรูปทาด้วยดอกไม้เถิดเมื่อทําเป็นขายดอกไม้ในเจดีเป็นทุกกทุกตะขายเลย เมื่อทําเป็นขายดอกไม้ในเจดีก็เป็นทุกกฎทุกตะข่ายเลยแทนดอกไม้แม้คนอื่นเขาทําให้เต็มไว้แล้วจะพอปักเข้าอีกไม่ได้เลยเอาดอกไม้ชื่อว่าโคบผีมังมาทําเป็นรูปช้างรูปมา้าก็ตั้งอยู่ในที่ชื่อว่าวายิมังทั้งพวงไม่ควรดังก่อนใช่แต่พวงดอกไม้อย่างเดียวแม้พวงแป้งพวงดอกไม้ได้พวกพวงอังกฤษก็เหมือนกัน แม้พิจุและพิจุณีกระทำเองหรือให้ผู้อื่นทำก็ไม่ควรเพราะพระบัญญัตินี้เป็นสาธารณะจะบูชากล่าวคำเป็นกัปิยะควรในที่ทั้งปวงปรยายโอภาสนิมิตกรรมก็ควรแท้อันนี้ก็เป็นเรื่องของบาปสมาจารย์จะขานท่านแสดงเอาไว้ละเอียดเรื่องของการจัดดอกไม้ต่างๆพิจุพิจุณีก็ไม่ควรจะไปจัดแต่ว่าไปบูชาได้ตามกาลังตามฐานะ อันนี้ก็สมควรแก่เวลาขอให้ท่านมีศรัทธาในการที่จะศึกษาในการฟังเรื่องของพระวินัยแล้วก็น้อมใจไปในการที่จะกราบคุตตามมีเจตนาในการจะรักษาตามพระบัณฑัติที่ทรงแสดงบัญญัติเอาไว้แล้วก็จะวิรัตในเมื่อมีจิตอกุศลเกิดขึ้นในการที่จะล่วงสกขาบทเหล่านั้นขอให้เจริญด้วยศีลสมาธิปัญญามีอินเดียสังวรมีโพชเนมัสตัญยุตาฌานริยานุโยคแล้วก็ประกอบความเพียรในการที่จะบรรลุอริยมรรคผลโดยทั่วกันด้วยเทอญ สาธุสาธุสาธุ